แต่และ ว, วันบางทีผมก็นั่งรถบางทีก็เดินไปทางหลังวัดของเราผมว่าถ้าหมู่พวกเพื่อนตั้งใจภาวนาหาความสงบแล้ววัดของเราในสัปายะเราจะเอามุมไหนของวัดกุฏิหลังไหนแล้วสะดวกพล่อยอะไรเพราะมีน้ำด้วยเราจะใช้น้ำก็ได้น้ำอาบน้ำล้างเท้าห้องน้ำ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 มีแต่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วก็รบกวนตัวเองกิเลสตัวเองลบกวนตัวเอ ง, เ, เ, อ ง, เ, องเหมือนกับสนิมเกิดในเนื้อเหล็กอย่างนั้นน่ะมันเกิดในใจของตนเองก็ะยุ่งเหยิงในตัวเองวุ่นวายในตัวเองนั่งที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหามุมสงบแล้วก็ขันสนอ ฆ่ากิเลสภายในใจฆ่าอะไรไม่บาปนะฆ่ากิเลสฆ่าฆ่าความโกรธไม่บาปได้บุญอีกต่างหากฆ่ากิเลสราคะโทสะโมหะเป็นบุญเป็นกุศลนะขอให้พวกเราทุกองค์นะให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองอย่างน้อยก็ให้ได้รับความสงบทางด้านจิตใจเดินหรืสินั่งหนูสิ นั่งภาวนาให้นานๆสินั่งใหเ้เกินเวทนาที่มันจะเกิดทดลองลเราสิไม่ใช่ว่าทเยอะๆแย่ ๆ, ๆอพอกิเลสเอาไปกินหมดอพอ่งเข้าไปเหนื่อยก็คิดไม่ไหวไ ม, มันร้วนแล้วแต่กิเลสภายในใจของเราออกมา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 ติโน่นไปโน่นไปนี่หาทางออกของให้ให้กิเลสนะวันนั้นหอยพวกเราต้องดูดูอย่าหาทางออกให้กิเลสให้ภาวนาดูถ้าหากว่าเราจะหาวิเวกผมว่าน่ที่วัดของเรานี่ยหาที่ไหนได้ยากเหมือนกันนะในมุมไหน กูตีลังไหนเราจะไม่ให้เห็นคนเลยก็ยังได้มันอยู่กับเราทั้งหมดถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจกัอย่างวานะอยู่ไม่เป็นสุขหาคุยคนนั้นหาคุยคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ผลที่สุขก็เลยมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องตัวเองทั้งหมดเพราะนั้นพวกเรานะ ดูตนเองนะเอาธรรมเข้ามาบังคับามาบังคับจิตใจเอาสมาธิทำรรนะความสงบนะั่นแะเอามาบังคับใจจึงจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าเอากิเลสเอามาคิดถ้าวิ่งตามกิเลสมันยิ่งกว่าฟุตบอลนั่นนะมันกลิ้งใจกลิ้งไปกลิ้งมานะถูกกิเลสมันเตะพระน้คขอให้พวกเราบนดูนะ